บ้านเพลที่มาบจังค่ะทางใช่ค่ะเดิมก่อนนะเดี๋ยวไม่ใช่เวลาลูกออกไปแล้วไปทางตรงนี้ใช่ไหมใช่ปะหรือถ้าทางทางใต้มันออกไปแล้วตรงไปแล้วไม่ต้องเลี้ยวเข้าทางวัดละงไปแล้วออกทางด้านหลังวัดเป็นถนนที่จะไปกี่โรงสิบสนามบินอู่ตะเภาใครใครใครรู้จักไหม ไปถึงแล้วกเลี้ยวซ้ายออกแค่เี้ยวขวาไปเลยคือถ้าออกประตูก็ตรงไปเลยแล้วถนนนี่มันจะโค้งไปออไปชนถนนเข้าเล้ยวซ้ายสาสามหนึ่งพอถึง้สามสามหนึ่งก็เราเลี้ยวขวาไปก็จะไปสู่ถนนสุขนาวินหนึ่งตะเพาลีโสก็จะไปชนถนนสุขุมวิทแล้วก็วิ่งไปไปถึงระยองได้เลยหรือถ้าเราจะถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปเราก็จะไปชนกับถนนสายใหม่ที่จะไปทาง <kiem> บ้านค่ายหรืออะไรทั <t> ้งน <t> ั้นแล้วก็ไประยองเหมือนกันไปได้ทั้งสองทางแล้วมันจะจะสะดวกกว่าไปทางด้านหน้าวัดที่มาทางด้านหน้าวัดแค่แค่ทางศิลป์หลังวัดหลังวัดก็เส้นนั้นใช่มถ้าเส้นนั้นก็เมื่อกี้มาถึงก็เลี้ยวขวาเข้าวัดนะเราก็ต่อไปตรงไปตรงการเส้นนั้นไปมันก็จะไปชนกับถนนสุตมิตรพอเจอสุตมิตรเราก็เลี้ยวซ้ายก็จะมีป้ายบอกไปบ้านฉางไประยองแล้วเข้าไปเส้นนั้น เแค่ น, นั้นจะใกล้ที่สุดนะที่มีไปเป็นงไงอ๋อมีคนเอาธรรมะที่เชื่องจันไปปฏิบัตินะเพิ่งรู้เป็นงไงได้คน ง, ง่ายพอดีลูกมาด้วยวันนี้เลย เวลาปฏิบัติเพื่อทางใจเราไม่ได้เพื่อไม่ได้เกี่ยวกับลูกเราลูกเรานั้นเขาเป็นไปาตามจริงตามธรรมของเขาเราก็เพียงแต่ช่วยเขาได้กระทั้บประคองให้เขาไปในทิศทางได้ทิศทางแต่ถ้าเขาอยากจะไปอีกทางหนึ่งเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ตอนเกิดมาตอนเป็นเด็กก็ ยาดชายสุดโทนนะพระราศิดาก็พยายามประคับประกองให้ลูกไปในทางของกษัตริย์อยากจะให้ลูกได้เป็นกษัตริย์อยากให้เป็นมห า, ร า, าศรัพพะการที่ผลได้ทําานล้วแต่พยายามสร้างกษัตริย์สามโยโย่ให้อยู่ให้มีความสุขอยกับชีวิตของกษัตริย์ให้ทาได้เท<ม>่าน<ม>ั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกก็จะตัดสินใจเรื่อกทางเดินของพระทาศีตาค้างแทน อางเงื่อนของตมาก็ห้าไม่ให้ตมามาเบียดไ่ได้นั่นเป็เวลามันจะไปมันไปไปงมันเองเพราะมันเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตมันมีพลังมากกว่าคนต่างๆที่ใครจะมามาจุดของได้ถ้าถ้าบุญกรรมมันแรงมันจะไปทางมันเองถ้ามันไม่แรงมันก็อาจจะอาศัยสินวดล้อมหรือคนอื่นครับชักนำชักเกิ่มไปได้ คนที่แบบว่าโลเลไม่รู้จะไปทางไหนจะไปซ้ายมไม่กไมรู้จะไปดีไม่ไปขวาก็ ไ, าไม่รู้ไปดีก็รอเพื่อนถ้ามีเพื่อนมาชวนให้ไปขวาก็ไปขวาเลยมีเพื่อนมาชวนให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายเลยอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับอบุญวาสนาถ้าไปเจอเพื่อนดีก็เดินไปในทางดีได้ถ้าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีก็เดินไปในทางที่ไม่ดีได้เพื่อนคนแรกก็คือพ่อแม่ของลูก พ่อแม่ก็ล้วถ้าพ่อแม่ดีก็ดึงลูกไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็ดึงลูกไปในทางที่ไม่ดีได้แพ่อแม่มันมีหลายหลายชนิดเนี่ยพ่อแม่ที่ที่ชอบเสพสัญญามาเน้นการพ น, นันก็มีพ่อแม่ที่ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มีถ้าลูกเป็นคนแบบที่ขึ้นชื่อต่างๆเนี่ยก็จะอาศัยพ่อแม่เป็นเปนผู้ที่ดึงไปได้แต่ถ้าลูกเป็นคนที่เข้าว่ามีมีพลังของเขาเอง ไม่ว่าจะไปในทางดีหีืทางทางไม่ดีอย่างนั้นคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะไปไปไปไปดึงเขาได้เมื่อถึงเวลาเขาก็จะทุ่งไปไปไปไปทิศทางของเขาเองมันเป็นเป็นมันเป็นได้ทั้งสองแบบบุญก็เป็นเป็นพลังอย่างหนึ่งบาปมันก็เป็นพลังอย่างหนึ่งที่จะพาให้คนไปในทางของเขาเออ เราในฐานะพ่อแม่ก็เป็นเหมือนกันลยาณมิตรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็เป็นเพื่อนที่ดีของลูกเป็นอาจารย์ของลูกเป็นครูของลูกเราจะสอนไปเหมือนกับคนทายเรือข้ามปากสองคนข้ามปากเท่านัาาาาาาา้นเองเมื่อเขาลงจากเรือแล้วเขาจะไปทางไหนเราก็ไปไปบังคับเขาขไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ให้ในสิ่งที่ดีกับเขาไว้ถ้าถ้าวันหนึ่งเปิดเขาเขาได้สติ เขาอาจจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้่จากพ่อจากแม่ก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ไดแ้แต่เรื่องเหล่านี้เราอย่าไปอะไรกันมากเลยเรื่องของคุณอื่นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจมากกว่าก็คือเรื่องตัวเราพาทีเราไปทุกกับคนอื่นก็ไมเราไม่มีความสุขเลยทั้งที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่จําเป็น จ, จะต้องไปทุกกับเขาแต่ก็ว่าเราไม่ฉลาดเรายังมีความหวังอยู่ ยังมีความผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราครอบไปเกี่ยวข้องเรื่อพอมีอะไรพอได้อะไรมาเป็นเป็นสมบัติของตนแล้วก็มันก่อดทางด้วความคิดที่อยากจะได้ครอบงำอยากจะไปเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นเป็นผีมีความคิดว่าอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้วเมื่อมันเป็นเป็นไปตามที่ตนเองต้องการก็มีความสุขใหญ่ แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามความที่ตนเองต้องการมันก็เป็นความว้าวุ่นโผงมีความทุกข์ใจตามมาแต่แล้วในที่สุดมันก็ชีวิตของคนเรามันก็จบมันจะจบขนาดไหนมันจะทุกข์ขนาดไหนเมื่อถึงเวลามันก็ต้องจากกันไปมันก็จบเหมือนกันดะงนั้นถ้าเรามองเห็นชีวิตของเราโดยอย่างครบถ้วนโดยเต็ม แต่ก้อนจนจบมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับเข้าโรงหนังเราไปดูหนังหนังมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรของมันพอหนังจบแล้วออกจากโรงแล้วเรื่องนั้นมันก็ผ่านไปมันก็มันก็แล้วก็ลืมมันละเราก็ไปดูเรื่องใหม่ต่อชีวิตของเราก็แบบเนี้ยการเยียนว่าวตายเกิดมันก็เหมือนกับการออกจากโรงหนังโรงหนึ่งแล้วก็ไปเข้าอีกโรงหนึ่งเราเป็นทั้งคนดูเป็นทั้งคนแสดงไปในตัวเนี่ย ถ้าเราฉลาดหรือเราโชคดีเราได้เจอคนฉลาดถ้าเราสองญาตเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาเล่นเราไม่จำเป็นจะต้องมาเศร้าโศเสียใจกับกับชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้มันมันไม่ใช่ความสุขมันมีแต่ความโชคมีสิ่งที่ดีดีกว่านี้ที่เราสามารถที่จะให้กับตัวเราได้ถึงนั่นก็คือใจของเราเนี่แหละ ทำไงานให้ใจของเรานี่นสะอาดร้อนสุดทำให้ใจของเราไม่มีสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้ให้กับใจเราก็ต้องมาศึกษาดูว่าอะไรเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ใจนั้นเกิดความทุกข์แล้วอะไรเป็นเป็นวิธีการที่จะทําให้สิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนั้นเนิ่นเหายไปทั้งหมดเลย ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราเราจะไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของตัวเราเองได้ว่าเราคิดเพราะอะไรแล้วเราทําอะไรทําอย่างไรถึงจะทําให้ความทุกข์นั้นหายไปได้ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นือพระอริยสงฆ์สาวกที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าอีกต่อหนึแล้วก็มาสอนพวกเราอีกทีนึง ในเรื่องของจิตใจแล้วเราพวกเราเหมือนกับคนตาบอสเราไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาใจของเราทั้งที่เราก็อยู่กับมันอยู่มาตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักวิธีแก้เรายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรความคิดล้วเราจะไปแก้มันได้อย่างไรเหมือนโลกปัจจุบันนี้เวลามีมีโรคระบาดขึ้นมาเช่นหวัดเนอะตอนต้นเขาก็ต้องศึกษาก่อนแล้วว่า อะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเกิดโรคนี้ขึ้นมาเมื่อเขาศึกษาแล้วเจอแล้วว่าออกเป็นเพราะเชื้อโรคชนิดนี้ขั้นต่อไปเขาก็ต้องหาวิธีทําอย่างไรที่จะทําลายเชื้อโรคนี้เพราะถ้าทําลายเชื้อโรคนี้ได้ไอ้โรคโรคที่ระบาดอยู่นี้มันก็จะหายไปได้ดังนั้ความทุกข์ใจของเราก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นโรคทางด้านจิตใจ ในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาหาเหตุซะก่อนว่าเหตุคืออะไรที่ทำให้ใจของเราต้องทุกข์แต่ถ้าเป็นเราเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหตุนั้นเป็นอะไรทั้งๆ ท, ที่เราเป็นคนสร้างเหตุนั้นอยู่ตลอดเวลาได้สอนไปทั่นเป็นเพราะว่าจิตของเรานั้นมีความหลงครอบงำอยู่ทำให้เรามองเห็นกับ เราปัดไปเราไปกลับไปคิดว่าไอ้ไอเหตุที่เรากำลังสร้างอยู่นี่เป็นตัวเหตุที่สร้างความสุขให้กับเราเราจึงสร้างแต่เหตุตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องมารับทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาได้ยินคำสั่งค ำ, คำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ยินถึงอริยสัจสที่เป็นหัวใจของของคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าใครถามว่าพระพุทธเจ้าตัดสั้นอะไรก็บอกว่าตัดสั้พระอริยสัจสีนี่แหละเพราะว่าการการตัดสั้นอริยสัจสีนี้ทําให้คนธรรมดาสามัญผู้ดูชนหรืพระพุทธเจ้านี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เนือผู้ตุโชนสามัญที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนได้ยินเรื่องอริยสัจสีแล้วนําไปปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสามารถทําให้จิตใจของตนนั้นอยู่เหนือความทุกข์ไปได้เพราะในพระอริยสัจสีนั้นท่านจ ะ, สะแสดงถึ ง, ต, ต, ขขง <c oughs> ต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคนั่นเอง เมื่อเรารู้แล้วว่าชื่อโรคนี้เป็นอะไรต้นเหตุของความทุกข์นี้เป็นอะไรขั้นต่อไปเราก็ศึกษาดูว่าเราจะทำอย่างไรถึงทําให้ชื่อโรคนี้หมดไปหมดไปได้ก็เราก็จะเข้าไปสู่อริยสัจข้อที่สี่ที่พระเจ้าทรงสองนว่ามรรคมรรคเป็นเครื่องที่จะถอดถอนต้นเหตุของความทุกข์คือปัญหาสมุทย สมุทัยก็คือตัณหาทั้งสารการมรตัาหาภาวะตัณหาะวิเคาะตัณหาแล้วก็เครื่องที่จะทำลายก็คือมรรคมรรคแปดก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโตสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาวายามุสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาชินี่คือองค์ประกอบของมรรคมีอยู่แปประการด้วยกันถ้าเราจะเริญน นักตั้งแต่ให้ให้เจริญขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็สามารถที่จะเข้าไปทำลายต้นเหตุของความทุกข์ได้มากน้อยเพียงนั้นมักนี้จึงเปรียบเหมือนกับเป็นยายาที่หมอค้นคว้าหามาที่ถูกกับโรคเมื่อเอายานี้เข้าไปใช้กับโรคโรคเมื่อเจอยางนี้ยโรคนี้เชื้อโรคนี้มันก็จะถูกทำลายไป เมื่อเชื้อโรคถูกทำลายไปแล้วโรคมันก็จะหายหายไปเองเพราะโรคนี้มันเป็นผลที่เกิดจากเชื้อโรคเชื้อโรคนี้จะหายไปได้ก็ต้องอาศัยยายาก็คือมักเมื่อมีมักแล้วเชื้อโรค ก, ก็ถูกทำลายเมื่อเชื้อโรคถูกทำลายความทุกข์ก็หายไปนิโรธ ก, ก็คือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานี่คือเรื่องของพระอริยสัจสี ที่มันทํางานอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆคนสัตว์โลกส่วนใหญ่จะถูกอริยสัตว์คือที่สองคือสมุทัยสัจจะทํางานอยู่ตลอดเวลาในใจของสัตว์โลกจึงมีตัณหาทั้งสามประเภทนี้อยู่เสมอคือมีกามาตัณหาความอยากในกามคืออยากในรูปเสียงกลกิ่นรสโผฏฐัพพะอยากอยู่เสมอ แบบไม่รู้จักอินไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วก็อยากจะสัมผัสใหม่อยู่เรื่อยๆเมื่อไม่ได้สัมผัสก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นในขณะที่เกิดความอยากแล้วแล้ไม่ได้สัมผัสตามความอยากแต่ในขณะที่อยากแล้วได้สัมผัส ม, สมันก็ไม่ทุกข์มันเลยทำให้สัตว จลับไปเห็นว่าความอยากนี้เป็นเหตุของความสุขเพราะเวลาอยู่บ้านรู้สึกว่ามันเศ้าซ้อยง่วงเหงาถ้าอยากออกไปเทียเท่ยวแล้วได้ไปเที่ยวแล้วมันมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี้มันเป็นเรื่องที่สักรโลกมักจะมองไม่เห็นกันจะเห็นแต่ด้านของ การได้มาเมื่อเวลาได้มามันก็มีความดีอกดีใจแต่ไม่คิดถึงเวลาที่ไม่ได้มาหรือได้มาแล้วต้องสูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราได้คู่ครองมาเราก็จะมีความสุขแต่เวลาคู่ครองนั้นเกิดจากเราไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา <c oughs> ถ้าเรา ระ ง, งับความอยากไว้เสียแต่เบื่องต้นคือถ้าเราอยากจะมีคู่ครองแล้วเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขความสุขที่ได้ ม, มันเป็นเหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมมันไม่จีรังถาวร อ, อะไรสู้อยากไปเอามาเสียจะดีกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็สามารถระ ง, งับดับความอยากคือความอยากในกางได้ คาอยากที่จะมีคู่ครองเมื่อไม่มีคู่ครองก็ไม่มีการพักท้าจากคู่ครองไปเวลาเราอยู่เราก็ไม่เดียดนอนเพราะเราไม่ต้องมาห่วงมากังวลกับคู่ครองของเราถ้าเรามีคู่ครองแล้วเรามีความสุขก็เพียงแต่ชั่วขณะที่เราได้เขามาแต่ต่อจากนั้นเราก็ต้องมาคอยห่วงคอยกังวลไม่รู้ว่าวันไหน ความดีคนดีเมื่อไหร่เขาจะจากเราไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราก็ไม่รู้ขณะที่อยู่กับเขาก็ยังมีความทุกข์เลยทุกข์ที่เกิดจากความกังวลทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยแล้วเวลาที่ต้องเกิดการจากกันขึ้นมาก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่มันก็เกิดจากความอยากนั่นเองความอยากในการ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่เราชอบที่ถูกถูกใจเรานี้ถ้าเราได้มาศึกษาและทำคำสอนะ้วท่านก็จะสอนให้เราเห็นว่าความอยากแบบนี้มันเป็นความอยากที่จะนำความทุกข์มาให้กับเราเราควรที่จะ <c oughs> ยับยั้งมันต่อสู้กับมันอย่าปล่อยให้มันลากพาเราให้ไปสู่ สิ่งนั้นให้ได้แล้วสิ่งที่จะยับยั้งเราได้ก็คือมรรคนี่เองมรรคนี้จะเป็นเครื่องที่จะยับยั้งจิตใจได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสัมมาสมาธิสัมมาสติถ้าเรามีสัมมาสติมีส ม, มาสมาธิจิตของเราจะสงบจิตของเราจะนิ่งขณะที่จิตสงบนิ่งนั้นความอยากมันจะไม่มีโอกาสแสดงอาการของมัน เมืม่อวันี้มันไม่มีโอกาสที่แสดงออกมามันก็ไม่มารบกวนเราเราก็สามารถอยู่เฉยๆอยู่ตามลาพังของเราได้ไม่ต้องมีคู่ครองเราก็ไม่รู้สึกว่าเวเราก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติแล้วสังขารความคิดคลุ่มนั้นก็จะทำงานมันก็จะคิดไปตามอานาจของตัณหาที่มีอยู่ที่มีฝังอยู่ในจิตในใจของเรา มันก็จะคิดว่ารู้สึกอยู่คนเดียวแล้วมันเศร้าส้อยห้อยเหงาอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคู่ครองเมื่อมันมีความคิดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องออกไปแสวงหาคู่ครองแล้วในที่สุดมันก็หาคู่ครองมาได้แล้วก็ต้องเข้าสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วคนที่เขามีอยู่กันเป็นคู่นี้เขามักจะมีความทุกข์เสมอแล ลักษณะของความทุกข์อาจะแตกต่างกันไปคือบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันด้วยความรักกันแต่ก็ต้องมีความห่วงกันมีความกังวลต่อกันแล้วเมื่อต้องพัาผจากกันก็ต้องมีความเศร้าเสียใจโดยกจําะพวกนึงก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลาไม่ลงรอยกันมีเรื่องมีราวกันตลอดเวลาอย่างนั้นก็ทุกข์อีกแบบนั่นก็เป็นความทุกข์เหมือนกัน ถ้าเปรียบเทียบกับอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีเลยความทุกข์แบบนี้เพราะไม่มีใครจะต้องมาท ะ, ล ะ, ทะเลาะกันไม่มีใครจะต้องมาห่วงมากังวลไม่มีใครจะต้องมาร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจด้วยแต่ที่เราอยู่กันไม่ได้ก็เพราะว่าจิตของเราขาดสมาธินั่นเองคือเราไม่สามารถทําจิตของเราให้สงบให้นิง่งให้เย็นได้เมื่อจิตมันไม่นิง่งไม่เย็นมันก็เกิดความรุ่มร้อนจิตใจ เกิดความอยากต่างๆนานาขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิก็ต้องอาศัยสติสตินี่เป็นตัวที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาสตินี่เป็นตัวที่จะดึงจิตไม่ให้ไปเพ่นพ่านไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคือดึงให้อยู่ในปัจจุบันสมาสติก็คือการให้จิตรู้อยู่กับปัจจุบัน รืออยู่ว่าขณะนี้กําลังอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แต่จิตถ้าไม่มีสติแล้วมันจะคิดไปเรื่อยๆคิดได้ไปหมดเมื่อกี้ไปไหนมาเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อเมื่อวานนี้ไปทําอะไรมาเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงคนนั้นพูดอะไรทําให้ไม่พออกไม่พอใจ ก, ก, ก็เก็บก็เก็บความมาคิดเก็บเอามาโกรธอยู่ในจิตในใจ เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ขาดสติไม่มีสติคอยดูแลรักษาจิตใจถ้ามีสติแล้วจะ ต, ต้องรู้ ท, ทันทีว่าขณะนี้เราอยู่ที่ไหนจิตของเราอยู่ในปัจจุบนันหรือไม่หรือจิตของเราได้ได้ทะลิศทไลไปสู่ที่อื่นแล้วถ้าเรารู้ด้วยสติเราก็ดึงมันกลับมาถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้แบบรู้ทันมันเราก็ต้องอาศัยการผูกมันไว้ให้อยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่จงจนบางท่านก็ถนัดพุดโทโธท่านก็ใช้คําว่าพุโทโธท่านก็บริกรรมคําว่าพุโทโธไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยคือไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดอะไรถ้าเป็นพระนี่ไม่ก็มีเรื่องน้อยที่จะต้องคิดสามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่กับพุโทโธได้ตลอดเวลาถึงแม้ในขณะที่ทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกวาดถูสาลาออกบินตบาทขบฉัน ก็พุโทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปถ้าอยู่มีสติไปอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นคือจิตมันจะไม่ลอยไปลอยมาจิตที่ลอยไปลอยมานี่มันเป็นเหมือนนุ่นถ้ามีอารมณ์มีลมมาพัดนิดเดียวมันก็จะปิวไปแล้ะจิตที่ไม่มีสมาธิก็เป็นจิตที่เบาแต่เบานี่ไม่เลยเมาเบาเพร า, า, าะปราศ จ, จากกิเลสปัญหา เบาเพราะว่าขาดขาบความหนักแน่นเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบหน่อยมาสัมผัสนิด ก, ก็ไปแล้วมีความคิดถึงเรื่องอะไรนิดหน่อยมันก็จะไหลไปตามเรื่องนั้นทันทีแต่ถ้ามีถ้าจิตเป็นจิตที่หนักแน่นมีเป็นสมาธิมีอะไรมามันจะไม่ไปไ ง, งา่ายๆแล้วถ้ามีสติรู้อยู่ด้วยแล้วมันก็จะคอยคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ไป ยกเว้นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องคิดเพราะว่าชีวิตของกวดเราเนี้ก็ยังต้องมีภารกิจการงานต้องทำงานทำการต้องออกบินทบาทต้องรับประทานอาหารต้องทำภ า, การกิจอะไรต่างๆเราก็คิดในเรื่องที่จำเป็นที่จะตคิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วให้จิตมันไปตามอารมณ์ อะไรมันกระทบมันก็ไปได้อารมณ์แลาวมันก็จะทให้อารมณ์ว้าวุ่นขุ่นงัวอยู่ตลอดเวลาเพราะไปไปแบกเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาในจิตในใจนั่นเองแทนที่จะปล่อยให้เรื่องมันที่เกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปให้มันผ่านไปเรากลับไปดึงมันกลับมาไว้อีกเช่นเวลาเราได้ยินเสียงคนพูดอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจเรา ทั้งที่เขาพูดไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วหลายชั่วโมงผ่านไปแล้วเราก็ยังเอามาคิดอยู่ภายในใจทุกครั้งที่คิดก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาในใจแล้วก็ไม่รู้จักวิธีจะทำอย่างไรให้ความคิดนั้นมันหายไปม่ง่ายนิดเดียวก็คืออย่าไปคิดถึงมันเท่านั้นเองใจก็อดที่จะไปคิดถึงมันไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกจิตนั่นเองเราไม่เคยควบคุมจิต ให้อยู่ตามคำสั่งของเราจิตมันจะไปตามคำสั่งของมันมันอยากจะคิดอะไรมันก็จะคิดส่วนใหญ่มันก็ชอบคิดในเรื่องที่ทำให้มันเกิดความทุกข์นเรื่องที่ไม่อยากจะคิดแต่ก็อดคิดไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกทาสมาธิอยู่เรื่อยๆทำจิตให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเวลามันจะคิดถึงเรื่องที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาเราเคยคิดถึงแต่คาว่าพุโทโธ เราก็คิดแต่คําว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไอความคิดอย่างอื่นมันก็ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้เมื่อมันไม่สามารถแทรกเข้ามาได้มันก็จะไม่มาสร้า ง, ง, งวาความวรบกวนใจให้กับเราดังนั้นการปฏิบัติทางสายปฏิบัติเน้นไปอยู่ที่สติเป็นหลักไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามควรจะมีสติคือมีความรู้สึตัวรู้อยู่เสมอว่าทุกขณะกําลังทําอะไรอยู่ กายวาจาใจกําลังเคลื่อนไหวไปในไปในทิศทางใดงถ้ามีสติแล้วจะทําอะไรก็ไม่พลาดถ้าปฏิบัติ้นเวลาท่านทํางานทําการท่านทําเล็วแต่ท่านจะไม่เคยพลาดเท่าไหร่เช่งจะไม่มีเสียงดังทำเมลายนิ่จงจะเงียบแต่ถ้าเป็นค า, ารวาสแล้วทำเมลายนิ่งจะเป็นเสียงอึกทึกเพื่อโคมไปหนดเพราะทําโดยปราศ จ, จากสตินั่นเอง มีสติเหมือนกันแต่ไม่ไ ม, ไม่มีสติแบบว่าเข้มข้นพอที่จะเฝ้าดูทุกขณะจิตเลยว่ากําลังเคลื่อนไหวไปไหนเช่นเวลาเช็ดช้อนเช็ดจานก็รู้ว่าเช็ดช้อนเช็ดจานแต่ไม่ได้รู้ว่าขณะที่เช็ดขณะที่วางจานวางช้อนไปนั้นวางหนักวางเบาอย่างไรนั่นเพราะว่าไม่มีสติละเอียดถึงขณะนั้นแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติแล้วท่านจะมีสติละเอียดเข้าไปถึงขณะทุกขณะเลย ขณะหยิบช้อขึ้นมาเทสขณะที่ระวางช้อนลงไปจะมีเสียงไม่มีเสียงนี้ท่านจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาการทํางานของภาคปฏิบัติเอนจะรู้สึกว่าทําได้รวดเร็วและเงียบสงบไม่มีเสียงเวลาคนที่ไม่มีสติเข้ามาในสังคมนั้นตอนนี่จะเปิดเผยตัวเอง ท, งทันทีเลยทํำลายก็ดังโค ม, าม่ากงโคม่ากงไปหมด เจอประตูปิดประตูแน้วตรงหน้าต่างก็เป็นเสียงดังเลยเนี่ยเพราะไม่เคยฝึกสติให้มีความละเอียดถึงขนาดนั้นนั่นเองแต่ถ้าได้ไปอยู่ในสำแหน่งที่ปฏิบัติแล้วขเขาจะระมัดระวังมากเรื่องเสียงเพราะก็ถือว่าการกระทำนั้นต้องทําแบบเงียบต้องทําด้วยความสงบเพราะถ้าทําได้เงียบด้วยความสงบนี่แสดงว่าเป็นการฝึกสมาธิฝึกสติไปในตัวฝึกจิตไปในตัว ทางการปฏิบัตินี้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ต้องการความเงียบเป็นผลแต่ต้องการตัวสติต้องการตัวสติตัวสมาธิหลักที่ฝึกการทางานอะไกันทุกอย่างนี้ก็เพื่อที่จะฝึกจิตเท่านั้นเองเพอเมื่อเราสามารถควบคุมจิตใจให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แล้วเราก็สามารถาระงับแบบการทํางานของจิตในทางที่ไม่ดีได้ เช่นเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาเราก็สามารถระงับดับมันได้ทีนี้การดับด้วยตัณหานี้มันก็ต้องดับด้วยสองวิธีด้วยกันคือวิธีสมาธินี้ก็อาจจะดับได้เพียงชั่วระยะสั้นๆคือพอเบรคกันได้พอรู้ว่าเอออยากอยากในสิ่งนั้นอยากในสิ่งนี้พอรู้ว่าเวลามันเกิดความอยากขึ้นมามันเกิดความร้อนขึ้นมา จิตที่มีสมาธินี่มันโดยปกติมันจะเย็นเป็นพื้นอยู่แล้วพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะร้อนวูบขึ้นมาเหมือนกับใครจุดจุดไม้ขีดขึ้นมามันก็จะร้อนขึ้นมาทันทีแต่ ถ, ถ้าถ้าเราดับมันได้ปั๊บเดี๋ยวมันก็ผงขึ้นมาอีกเราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะสามารถที่จะดับมันได้อย่างถาวรเช่นถ้าเรา มีความอยากในเรื่องของของคู่ครององนี้ถ้าบวชมาเป็นพระถิงหน้าที่พระอุปชาลสอนให้ให้พระศึกษารือเรญก็คือกรรมฐานกรรมฐานห้าพระทุกรูกที่บวชนี้จะต้องเรียนเรียนกรรมฐานห้าก่อนคืออาการห้าส่วนของร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหยังนี่เป็นสิ่งที่อุปชัยยะ ผู้บวชนพระใหม่นี้จะสอนพระใหม่ให้เอาอาการทั้งหส่วนนี้ไปพิพิจารณาอย่างสม่ำเสมออย่าให้อยู่ห่างจากใจไปเพราะเมื่อพิจารณาแล้วจะได้เห็นความไม่สวยไม่งามของของร่างกายที่กิเลสอันหามักจะเห็นว่าเป็นของสวยของางามท่านทรงสอนให้พิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามขอ ง, ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ เช่นเวลาผมมันหลุดมาหล่นลงไปในอาหารก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะได้หรือผมที่ที่สีดำสักวันหนึ่งมันจะต้องกลายเป็นสีขาวอย่างนี้หนังก็เป็นเช่นเดียวกันหนังที่มันเต่งตึงในวันนี้ในวันข้างหน้ามันก็ต้องเหี่ยวร่นแล้วนอกจากนั้นแล้วถ้าพิจรณาไปเรื่อยๆมันก็จะนำพาไปสู่การพิจรณาถึงอาการ ส่วนอืของร่างกายนอกจากอาการห้าส่วนนี้แล้วมันก็จะพิจารณาเข้าไปข้างในเข้าไปดูอาการต่างๆที่อยู่ใต้ผิวหนังมันก็จะเล่าเห็นความไม่สวนไม่งานของร่างกายอย่างนี้เมื่อพิจารณาอยู่อย่างต่อเ น, นื่องอยู่เรื่อยๆต่อไปแล้วมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่า อ, อ๋อสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรียว่าสวยงาม น, นั้น ความจริงแล้วมันก็มีสิ่งที่ไม่สวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ถึงหนังเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิพิณพิจารณาเท่านั้นเองถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความรู้นี้มันก็อยู่จะอยู่ติดกับใจของเราพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาปาั๊บไอความรู้ที่เราได้พิจารณาว่านี้ก็จะขึ้นมาทันที ขึ้นมาบอกว่ามันไม่สวยอย่างที่เราคิดหรอกเมื่อมันเป็นเช่นนั้นความอยากมันก็จะดับไปทุกครั้งที่มันคิดไอ้นี้ก็จะขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดไอ้ความคิดอยากนั้นมันก็จะไม่มีกําลังที่จะโผล่ขึ้นมาอีกอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาที่เรียกว่าที่เราต้องเจรณาอาสุภกรรมฐานกันก็นเพื่อที่จะเป็นปัญญาแก้่กามตันหา หรือราคาปัญหาความยินดีใน ใ, ในในรูปที่สวยที่งามนี้เองที่เราว่าสวยว่างามนี้เราเป็นคนไปว่าเขาเองร่างกายนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาสวยเขางามแต่เราเป็นหลงเขาเองแล้วเราไปว่าเขาสวยเขางามพจะพุทธเจ้าเงต้องสอนให้ให้ให้มองในส่วนที่มันไม่สวยไม่งามบ้างเพื่อเพื่อจะได้เป็นเครื่องทําให้มันเห็นเห็นแบบตามความเป็นจริง เราเมาื่จะมองด้านเดียวเท่านั้นก็คือด้านที่เราชอบแต่ด้านที่เราไม่ชอบนั้นเราพยายามที่จะไม่มองทั้งทั้งที่มันก็มีอยู่ในในนั้นอยู่ในบุคคลคนเดียวกันทีนี้ปัญหาของพวกเราก็คือว่าเวลาเราจะพิจารณาความไม่สวยไม่งาม น, นี้โดยมากแล้วเราจะพิจารณาได้ไม่นานเพราะกิเลสนี้มันเป็นตัวที่แชอบคอยมาขัดมาขวางอยู่เสมอ เราถึงต้องถือเราถึงต้องบังคับถ้าเราไม่ปืนเราไม่บังคับแล้วมันจะไม่ค่อยจะไปในทางนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเราฝืนเราบังคับไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆต่อไปมันจะกลายเป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนกับเราหัดใช้มือซ้ายถ้าเราเป็นคนถนัดมือขวาเราจะไม่ค่อยชอบใช้มือซ้ายเท่าไหร่เพราะมันใช้แล้วมันอึดอัดมันไม่สะดวกมันไม่คล่องแคล่วว่องไวเพราะเราไม่ถนัดแต่ถ้าเรา ฝือพยายามใ ช, ยใช้ไปเรื่อยๆหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความชํานาญขึ้นมาเองเกิดความถนัดขึ้นมาเองการเจริญปัญญาก็เป็นลักษณะนี้จิตของพวกเราเน้นส่วนใหญ่มักจะชอบมองสิ่งต่างๆไปในในรูปของความสวยความงามหรือมองในรูปของความเป็นกีรังสาววรเห็นอะไรก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดเห็นคนตคนนี้ ว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ไปตลอดไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจ ะ, จะแฉลงไปผมเขาจะกลายเป็นสีขาวหนังเขาจะเหี่ยวหรือในที่สุดเขาก็จะต้องจะต้องตายไปร่างกายก็ต้องต้องแตกสระลายไปสิ่งเหล่านี้จิตที่มีกิเลสเข้างามอยู่มักจะไม่ชอบคิดกันเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องการที่จะ แก้ปัญหาคือความทุกข์ของใจเราก็ต้องทับใจเราต้องพยา ย, ยามพิจารณาเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆทีนี้การที่เราจะเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องหรือได้ผลก็ต้องอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นถ้าจิตยังลอยไปลอยมาอยู่เราอาจจะพิจารณาอุศะได้เพียงไม่ไม่ถึงนาทีหนึ่งเดียวพอมีอารมณ์อย่างอื่นมากระทบกับจิตมันก็จะ ลากไปแล้วแค่จะคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อไป แ, แต่ถ้าจิตเป็นจิตที่มีสมาธิสร้างมั่นอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยไหวไปตามอารมณ์ต่างๆมันไม่มีอารมณ์ต่างๆจะมารบกวนเรากำหนดให้มันพิจารณาอะไรมันก็จะอยู่กับเรื่องที่เราพิจารณาอยู่ดังนั้นการปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของสมาธิไปบางคนคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีสมาธิเอง คือให้เข้าสู่วิปัสสนาให้เข้าสู่ปัญญาเลยส่วนให ญ, ญ่มันเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้ผลดั น, นั้นเองมันจะกลายเป็นความซลืงนซ่านไปมากกว่ากลายเป็นจิตนาการไปมันไม่ได้เป็นความจริง <Okay. S 1> เวลาเกิดก่ดกเอเกเรขึ้นมามันไม่มีปัญญาที่จะมารังควานได้แต่ถ้าเรามีสมาธิอยู่แล้ว เวลาเราพิจารณาอะไรนี้จิตมันก็จะเกาะติดอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาพิจารณาจนทั่งมันเข้าใจว่ามันเข้าใจมันอยู่กับใจแล้วทีนี้มันไม่ต้องพิจารณาก็ได้พอมันมีอะไรขึ้นมาปัดไอ้ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อมันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็รู้เองว่าอ๋อปัญหาเรื่องเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันไม่มีปัญหาสำหรับเราอีกแล้วต่อไป พราะเราไม่หลงมันแล้วเรารู้ทันมันแล้วนี่เองเรามีปัญญากิเลสบอกว่ามันสวยแต่ปัญญาบอกว่าไม่สวยมันก็ทำลายกันไปมันก็หมดกันไปตอนในที่สุดกิเลสมันก็ไม่สามารถมาหลอกใจเราได้ต่อไปเพราะเรามีปัญญาเรารู้ทันมันแล้วนี่เองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติอี่เรียกว่ามักเราต้องพยายามเจริญให้มากพระพุทธเจ้าทรงกล่าไว้ว่า มรต้องไปเจริญให้มากทุกคืออริยสัจ ต, ต้องกำหนดรู้สมุทยัยั้งละนิโรธต้องทำให้แจ้งวิธีที่จะทำให้นิโรธแจ้งวิธีที่จะละตามหาหรือสมุทยัยวิธีที่จะกำหนดนิทุ ก, ก็คือการจเจริญมรตนั่นเองการจเจริญมรตินี้จะทำให้เราจเจริญเห็นความแก่ความเสื่ความตายซึ่งเป็นอริยสัจทอดที่หนึ่นเอง พวกเราส่นใหญ่ต้องจะมองท่าว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเมื่อเราลืมปั๊บล้วก็เกิดปัญหาเกิดความอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่ทํานู่นทํานี่เป็นนู่นเป็นนี่ไปเมื่อไปมีความอยากแล้วก็ต้องไปทุกกับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราเจริญมรรคคือสัมมาทิฏฐิว่าเราคนเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดา ต้องพัดทาจะของรักทั้งหลายไปเป็นธรรมดาต้องประสบกับสิ่งทั้งหลายที่ไม่ปราถนาเป็นธรรมดาเมื่อเราพิจารณาอยู่างนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ไม่ถูกอานาจของปัญหามาหลอกให้เราไปสร้างนิ่งสร้างนี้สร้างครอบครัวสร้างสวรรค์มิมาในโลกนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะในที่สุดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมืนนั้นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะ ถอยออกมาจากการที่จะไปสร้างไปหาความสุ ข, ขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมามันก็ระงับไอ้ปัญหาต่างๆที่หลอกให้เราไปสร้างนูน่นสร้างนีเนนน่เป็นนู่นเป็นนี่เมื่อไม่มีปัญหาเราอยู่เฉยๆล้วก็มีความสุขแล้วนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการอยู่เป็นสุขนั่นเองการที่เราสามารถอยู่เฉยๆ มีร่างกายกับายนี้ก็พอแล้วไม่ต้องมีสมบัติอื่นภายนอกก็มีความสุขได้มากมายไกยกว่าสุขมากยิ่งกว่าคนที่มีเงินทองกองเท่าภูกเขาเพราะนี่มันเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากตัญหาปัญหานี่มันเป็นความทุกข์มันต้นเหตุของความทุกข์ถ้ามีตัญหาแล้วต่อให้มีได้มีเงินทองกองเท่าพูกเขามันก็จะเกิดตัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมีความไม่พอนั่นเอง มีร้อยก็อยากจะได้เป็นพันมีพันุก็อยากจะได้เป็นหนึ่นอยากไปเรื่อยๆไป น, นี่คือธรรมชาติของตันหาแต่ถ้าไม่มีตันหาก้าความอิ่มมันก็เกิดขึ้นมาทันทีจะพูดถ้าจะเปรียบเทียบก็ตันหากับความอิ่มนี่มันก็เป็นเหมือนกับเหรียญเหรีเหรียญอันเดียวกันแต่มีสองด้านด้านหนึ่งก็เป็นตันหาอีกด้านหนึ่งก็เป็นความความอิ่ม ถ้าถ้ามันหงายขึ้นมาเป็นตันหามันก็มีแต่ความหิวถ้ามันคิดกลับมาอีกด้านมันก็มีความอิ่มจิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราก็มีอยู่สองอย่างมีหิวกับมีอิ่มถ้าเราปล่อยให้มีความหิวคือตันหาทำงานมันก็จะมีความหิวไปตลอดแต่ถ้าเราทำให้มันอิ่มปั๊บมันก็ไม่หิวกับอะไรมันก็ไม่อยากกับอะไรมันก็พอมันก็มีความสุขมันไม่ต้องมีอะไรมันก็อยู่ได้ พราะมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มาทำให้จิตนั้นมันอิ่มหรือมันพอได้นอกจากตัวจิตเองจะต้องทาเือจะต้องพลิกจิตให้กลับเข้ามาสู่ด้านอิ่มให้ได้ส่วนใหญ่มันถูกกิเลสตัหาหลอกให้ไปในทางด้านหืวนั่นเองเมื่อมันไปทางด้านหิวแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รจักพอแต่ถ้าเราเอาธรรมะมาทำให้จิตมันอิ่มด้วยการต่อสู้ดับความหิวคือตาหา ด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศีลเนี่ยเรียกว่ามรรคแปดด้วยศีลสมาธิปัญญาถ้าเราบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆศีลเราก็รักษาไปสมาธิเราก็พยายามทําไปปัญญาเราก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆปัญญาเนี่ยพิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเรื่องอสุภะอสุทังความไม่สวยไม่งามแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในจิตในใจ แล้วมันก็จะเป็นเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความอยากเวลามีความอยากเกิดขึ้นมามันก็จะมันก็จะถามตัวเองว่าอยากไปถึงไหนเดี๋ยวก็ตายแล้วจามันไปเท่าไหร่ก็อาวไปไม่ได้เดี๋ยวชีวิตจากนี้อายุเท่าไหร่แล้วหรือจะกี่ปีอยากไปหาอะไรความสุขในโลกนี้เราก็ผ่านมาต้องกี่ปีแล้วถ้ามันเป็นความสุขที่แท้จริงมันก็น่าจะให้ความอิ่มความพอกับเราแล้ว ถ้ามันยังไม่ให้ความอีกกับความพอแล้วเรากลับไปหาความอยากความสุขแบบนี้อีกมันก็มันก็จะเป็นแบบเดียวกันอีกอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้ามันก็เป็นแบบนี้มันก็ยังผิว อ, อย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นเราลองหันมาหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบไม่ดีกว่าเลยความสุขที่เกิดจากการดับของของความทุกข์ดับของตัญหาดับของสมุทยัยนี่แคือวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริง วิธีที่จะทําให้จิตใจของเราอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้<ม>ก็คือการเจริญมรรคนี่เองเนี<ม>่ยเป็นเหตุที่พวกเราเชาวพุทธต้องไปที่นู่นที่นี่ไปวัดนู่นวัดนี้เพื่อไปทำบุญทำทา น, ทานไปปฏิบัติรักษาถึงไปปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อที่จะสร้างมรรคเช่เป็นเหมือนกับยามารักษาโลกใจมาทําลายเชื้อโรคคือความอยากที่มีทางจิตใจทั้งหลาย เมื่อเราได้เจริญนักมาเรื่อยๆแล้วยาก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคคือปัญหาความอยากต่างๆที่มีในจิตในใจของเรา<ม>ให้เบาบางลงไป<ม>เป็นกระทั่งในที่สุดมันก็หมดไปเมื่ที่เราได้ยินได้ฟังเสมอทุกบรรทุกธรรมนั้นท่านบารรลุเป็นขั้นๆไปข่านโสดาสติดาคามีอนาคามีแต่กระทั่งถึงขั้นพระอะหาัน ท่านก็ท่านก็อาศัายการเจริญมรรคนี้เป็นขั้นๆไปขั้นแรกก็บรรุเป็นพระโสดาขั้นต่อไปเมื่อมรรคมีกาลังมากขึ้นก็บรรุนเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็ขั้นอนาคามีแต่ในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่ในทิ่สษดก็เกิดจากการบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องคือการเจริญมรรคอย่างต่อเนื่องอยงที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามรรคต้องเจริญให้มาก กานหน้าที่ของชาวพุทธเราจึงต้องเอาหน้าที่ในอริยสัจสีนี้มาเป็นหลักคือพระพุทธ้าทรงตรงสไว้ว่าทุกนี้ต้องกํำหนดรู้คือต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเสียต้องตายนี่คือการศึกษาเป็นการสอนใจต้องศึกษาอริยสัจข้อแรกทุกต้องศึกษาต้องกําหนดรู้แล้วก็สมุดไทยต้องละ สมุทัยคืออลไรก็คือตัณหาทั้งสามมีการว่าตัณหาภาวะตัณหาะวิภาตัณหาก็ต้องละแล้วก็มิรอดก็ต้องทําให้แจ้งคือทำมิรอดก็คือการดับทุกข์ต้องทําให้มันปรากฏขึ้นมาการที่จะทําให้ให้ถ้ามีโรอดปรากฏขึ้นมาการที่จะละตัณหาก็ต้องเจริญมรรคเองการเจริญมรรคก็คือการกําหนดรู้ทุกข์เพราะเราต้องพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เราต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาเอาสุภาษุตทางนี้เป็นเรื่องของปัญญาโดยอาศัยการสนับสนุนของสมาธิแลกสีนเราเราจึงต้องรักษาศีนเมื่อเรารักษาศีลแล้วเวลาเราบําเพ็ญสมาธิจิตก็จะสงบง่ายเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเวลาพิจารณาทางด้านปัญญามันก็จะเห็นมันก็จะมีกํำลังที่จะไปรงับดับปัญหาได้ ถ้าเราสามารถระงับดับตัณหาได้นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาการดับทุกข์หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์มันก็ปรากฏขึ้นมาวิมุตติคือการหลุคพ้นนี่ก็คือเป้าหมายของชีวิตของชาวพุทธเราการปฏิบัติมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้สามารถหลุดพ้นได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตายไปแล้วถึงจะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ พระพุทธเจ้าบรรลุตัจทะลุอริยสัจสิในวันเพ็ญเดือนหกในขณะที่มีอายุเพียงสามจุดหกสี่ท่านยังไม่ได้ตายไปท่านก็บรรลุแล้วท่านก็พ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้เพราะท่านได้ทําจิตในพระอริยสัจสิได้ครบถ้วนบริบูรณ์ท้งที่ทรงตัดไว้ว่าทุกที่ควกรกําหนดรู้นี้ตถาคตได้กําหนดรู้แล้วปัญหาหรือสมุทัยที่ควรละ ปัาคตได้ละแล้วที่รอดที่ควรทําให้แจ้งปัาคตได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญให้มากปัาคตได้เจริญแล้วเมื่อได้ทํากิดทั้งสี่ก็พ้นวัยผู้เยาว์วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นผลที่จะตามมาต่อไปเมื่อได้ถึงผลนี้แนละ้วกิดทั้งหลายในโลกนี้ก็หมดสิ้นไปผิดอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้ว เพราะจิตใจนี้สะอาดหมดเกลแล้วไม่สร้างปัญหาให้กับเราอีกลแล้วเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องรักษาอีกต่อไปไม่จําเป็นต้องมีหมอไม่จําเป็นต้องมียายต่อไปเพราะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเดือดร้อนอีกต่อไปนั่นเองนี่คือผลที่ชาวพุทธเราจะได้รับจากการที่เราพยายามปพอพฤทธปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระเจ้า ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขึ้นมากจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดก็คือการทำบุญทำทานการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาหน้าสมาธิเปนรอยนิพพานแล้วในที่สุดก็จะเข้าสู่ความพ้นไปเองเพียงขอให้พวกเราจะมีความแน่วแน่มั่นคงมีความมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่พื่เจ้าฝึงสอนมานั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลคคยเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น ไดาอยู่ในวิสัยของมนุษย์อย่างเราอย่างท่านที่ควรที่จะสามารถบาเพ็ญได้เพราะสาคัญต่อให้เราอย่าทอดแค่เวลาที่เราเกิดความทุกข์หรือว่ารู้สึกว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันไม่ไปถึงไหนเลยก็ขอให้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าละลึกถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็ต้องฟันฝ่าโน้มนุมทุกข์าเหมือนกัน คิดเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กเวลาเราเป็นเด็กเราก็ไม่ใช่ว่าอยากจะลุกขึ้นมาเดินยืนเดินได้เลยเราก็ต้องค่อยๆคานไปก่อนแต่ถ้าเราพยายามทําไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อยๆขัดคานขัดยืนหัดเดินไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเราก็เราก็เดินได้ยื่งได้เหมือนที่เราทําอะไรต่างๆได้ในวันนี้สมัยที่ตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ทําไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเรามีความพยายามมีความอดทน ไม่มีไม่ท้อแท้พยายามฝึกสอนเรียนไปเรื่อยๆมันก็สามารถทําให้เราทําในสิ่งที่เราทําได้ในล่านี้เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติของเราในวันนี้เราอาจจะอยู่ในขั้นล้มลุกคลายังทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นังสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างรักษาศีลได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ขอให้เราทําไปถึงเพราะเราไปในทางที่ถูกแล้วมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะพาให้เรา หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จึงขอให้เรายึดมั่นไว้ล้วพยายามปฏิบัติไปจนกว่าชีวิตจะหายไหมรับรองได้ว่าสิ่งที่ดีที่นานต่งางๆ ก, ก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปมากหรนะือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทั้งหลยที่จะปฏิบัติให้ได้เท่านั้นเองจึงขอฝากเรื่องงานอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายนาไปสิุกที่งาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อไปการงดนก็เห็นว่าสมควรจะเวลา ยุติไลเซนต์ตอนนี้ การมุดดองกันบอยไล้วตียงไปแล้วเจ็ดครั้ง เอาไว้ที่นี่กหหออาอน็ไเดี๋ยวจะอไว้ที่นี่นะจัลลาฮวางไว้หน้ารัลลาับทั้งหมดเลย ว, ว, วันนี้คงจะต้องไปไกลนะ อัจะรีบอยากจะรีบไปแล้วล่ะพู่ห่างถามได้ถางามจรก็อยากถามนะคะคือปัญหาของเรานถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยงมันก็จะตัดสหาไปได้เยอะการคำตอบเอาคำตอบสั้างีีสุดก็เือนชีวิตของเราไม่ยาวหรอก เดี๋ยวทุกอย่างมันก็หมดไปคิดเหมือนว่าเราชีวิตเราเหมือนกับเจดีชายที่เราสร้างอยู่ก่อไว้ข้างชายทะเลตอนที่น้ํามันลงเดี๋ยวพอน้ํามันขึ้นมามันก็ซับไปหมดเดีสร้าง ด, สางดีสวยงามขนาดไหนมันก็เดี๋ยวมันก็มันก็สลายไปหมดแต่สิ่งที่มันไม่สลายไปก็คือความดีความงามความสุษย์แล้ความบุญกุศลอะไรเหล่านี้แล้วความเชื่อก็ตามมันไม่สลายไป มันไม่ใสลัดแต่กลับวัดถึงร่างกายของเราเพราะมันจะนามั น, น, น, มนทํามันอยู่ควบคู่กับจิตใจของเรามันทําให้ใจเราจะดีขึ้น เ, เ, เรื่อยๆครับเวลาบุญกุศลนี่ทําให้ใจเราดีขึ้นจะฉลาดขึ้นความฉลาดนี่แหละทาให้ใจเราหลุดพนความความหลงนี่ทําให้เราติดอยู่เหมือนคนที่ติดยาเสพติดนะ เหตุยาเสดก็เพราะหลงว่ายาสพติดนี้มันมันดีมันพิเศษเวลาเสพแล้วมันมีพลังสุกดิ์นะคนที่ฉลาดรูด้ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็หลีกเลี่ยงจากมันก็หลุดพ้นจากจากสิ่งที่เลวร้ยายทั้งหลายได้เห็นที่จะจะเห็นความจะเห็นความจริงเราได้ก็ต้องต้องทําจิตให้มันมันมันสงบ ถ้าจิตมันสงบแล้วมันจะเห็นความจริงของคือความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่จรไหนเรารู้เรื่อว่าเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วมันจะรู้ว่าความสุขมอื่นทั้งหลายนี่มันมันไม่ใช่เป็นความจริงมันไม่เป็นความสุขที่แท้ที่แท้จริงถ้าเป็นความสุขก็เป็นเหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นในฝันอย่างเมื่อคืนนี้เราฝันดีขนาดไหนพอเราตื่นขึ้นมาความสุขนั้นมันจะหายไปหมดเลย เหมือนกับเมื่อวานนี้เราได้ไปเที่ยวที่ไหนมามีความสุขอะไรมากน้อยเพียงไรวันนี้มันก็มีแค่ความทรงจำเทนะ่านั้นเองแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันติดอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ตามวันนี้มันก็ยังมันก็ยังปงบอยู่มีอันนี้อันเดียวที่มันอยู่ติดกับใจเราเป็นสมบัติที่แท้จริเราแล้วไม่เสื่อมตามตามการตามเวลา ไม่เป็นไม่เป็นอนิจจังควาสงบสุกนี้มันไม่เป็นความไม่เที่ยง ม, มันอยู่กระจิตไปตลอดท่านบอกว่านิบานังบาลมังสุขงังนิบัต<ม>ินิพานเป็นของเที่ยงทวามสุขในพระนิพพานก็เที่ยงเรื่พรอพยายามสร้า ง, งความสุขในใจให้เกิดขึ้นได้นี่จะให้เกิดความสุขภาในใจได้ก็ต้องปล่อยวางความสุขไปน้อยเพราะมันของอย่างมันมันมันแย่งกัน ถ้าจะออกข้างนอกมันก็ไม่ความสุขข้างในมันก็ไม่มีถ้าจะเอาความสุขข้างในมันก็ต้องมันก็ต้องปล่อยออกมาข้างนจิตมันมันมันไปอยู่สองที่ไม่ได้ถ้ามันจะออกไปข้างนอกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะมันก็จะไม่ได้ความสุขภายในถ้ามันอยากจะได้ความสุขภายในมันก็ต้องตัดความรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบนั่นอะ เราชอบกินอะไรเราชอบดื่มอะไรของพวกนั้นเนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพก็อย่าไปดื่มอย่าไปอย่าไปเสพมันกินหรือดื่มเท่าที่จําเป็นต่อการรักษาสภาพร่างกายนี้ให ม, มันอยู่ไปทั้งเองแต่อย่าไปหวังความสุขจากลูกเสียงกินรถเผดแต่ละอย่าไปหวังความสุขจากการดื่มการรับประทานการดื่มการรับประทานนี้ขอให้ดื่มในรูปลักษณะของแบบ รับประทานยาเพื่อเยียวยารักษาร่างกายให้มันอยู่ไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยให้นันส่วนความสุขที่แท้จริงแล้วันเข้ามาหาความสุขภายในดีกว่า <c oughs> ไปหาวัดที่ไหนสงบเงียบไปยึดจ้ำสิงทีละสามวันห้าวันสะสมไปเรื่อยๆแทนที่จะไปเที่ยวเ ม, มืองนอกไปไปที่นู่นไปที่นี่ก็ ไปอยู่วัดมิปะไปถูกใจใครก็ยังเือใครก็คู่กัเราโกระไงเราจะรับความโกรธได้คือเราต้องมีสติรู้ทันว่าเรากำลังโกรธเรารู้ว่าความโกรธนี้เป็นโทษนอกจากคนที่มาทำให้ให้ให้ให้เราโกรธ คนโกรธนั้นคนที่ทําให้เราโกรธเป็นเหมือนกัคนจุดไฟแต่ไฟมันอยู่ในใจเราเราอย่าไปเราอย่าไปตามแก้ที่คนมาจุดไฟอย่าไปเอาเรื่องคนที่จุดไฟเราต้องรีบหาหน้ามาดับไฟในใจเราแล้วลการที่จะดับหน้าไฟในใจได้ก็คือเนี่ยถ้าวิธีเร็วที่สุดก็คือปัญญารู้ว่าเนี่ยกําลังไหม้ไฟกำลังไหม้บ้านเราไห ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม้ตัวเราหยุดโกรธสียเพราะนั้นเองนี่คือปัญญา ถ้าไม่ได้ปัญญาก็ต้องใช้อุบายอย่างอื่นเช่นเมตตาให้อภยัยนะคิดว่ามันก็ผ่านไปแล้วเรื่องราผ่านไปแล้วจะไปพื้นไหวหอาตะเข็ดมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่มไมด้ดมาแก้ความรุ่มนอนความโกรธที่มีอยู่ภาในใจนะคิดแล้วว่าใช้นี่เก่าไปอนะไรแล้วแต่เราจะใช้อุบายคิดแค่นะวิธีที่ฉลาดที่เร็วที่สุดก็ทําลองเห็นว่าไฟกําลังไหม้บ้านจะไ ป, ไปตีโพยตีพายทําไม นี่ผาน้ำมาดับไปดีกว่าขณะนี้เราโกรธเรารีบระงับความโกรธเถอิถ้ามันรู้จะทําไงก็พุโทโธมันทาเดียวเนี่ยอย่าไปคิดถึงเรื่องคนที่ทําให้เราโกรธอย่ยงมันก็หายเอยงยิ่งไปคิดถึงเรื่องคนที่ทําให้เราโกรธแล้วมาคิดถึงเหตุผลทํมมาไมเขาต้องมาทําให้เราโกรธล้วก็ดีออย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างอย่าไปคิดถึงมันเลยมันทําไปแล้วาาใช้เวลาไฟไหม้ก็อย่าไปนั่งเถียงกันแล้วว่าใครเป็นคนจุดไฟ เดี๋ยวบ้านมันก็ไหม้หมดเห็นไหมถ้าไฟไหม้ปัต่างคนต่างรีบไปหาน้ํามาดับกันดีกว่าในเวลาเกิดความโกรธต้องบอกว่าไฟกำลังไหม้ใจเรานะรีบดับมือเสียถ้าไม่รู้จะดับด้วยวิธีปัญญาไม่ใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้อุบายของสมาธิไปพุโทโธพุโทโธไปเดียวเดียวคิดถึงเรื่องเรื่องคนที่ทําให้เราตัวเหมือนกับเรื่องความกลัวก็เหมือนกัน พระที่ท่านไปในป่ากลัวๆนี้ท่านต้องการที่จะแก้วความกลัวเพราะถ้าเราไปอยู่ที่ปลอดภัยมันจะไม่มีความกลัวพอเราไปอยู่ที่เปี่ยวๆน่ากลัวมีความกลัวมันจะโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บท่านก็เลยยึดคิดถึงพุทโธพุทโธคนเดียวจิตก็มีระลึกแต่พุทโธพุทโธแต่ถ้างมันเป็นสมาธิพอจิตมันเป็นสมาธิสงบนิ่งก็รั้ความกลัวความอะไรมันหายไปหมดเลย พความกลัมันก็ออกมาจากจิตเนี่ยจิตไปปรุงแต่งขึ้นมาเองความโกรธมันก็ออกมาจากจิตจิตเราไปปรุงไปแต่งมันขึ้นมาเองนันเองฉั hmm. ้นถ้าเราละงับเหมือนทําจิตให้สงบได้ครับไอ้ความโกรธก็ดีความกลัวก็ดีมันก็จะหายไปนี่เป็นวิธีง่ายวิธีสมาธิตารไม่ไม่้ไม่ถาวรมันไม่ไม่ไม่ถาวรเหมือนกับใช้ปัญญาถ้าปัญญานี้มันมันมันจะเข้าใจว่า เราไปหลงมันเองเราไปยินดียินร้ายกับมันเองถ้าเราไม่ไปยินดียินร้ายกับมันมันก็มันก็จะมาทําให้เราโกรธไม่ได้แต่ถ้าเราไปหวังว่าคนนี้เขาจะต้องพูดดีกับเราเนี่ยหวังเาพูดไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาล้วรื่เสียใจเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไปหวังให้เขาต้องมาดีกับเราเขาจะร้ายกับเราไงเราก็พร้อมที่จะรักบเลยแล้วเราก็ไม่โกรธแล้วเราก็ไม่เสียใจราะฉะนั้นอย่าไปหวังอะไรจากใครในโลกนี้ ตลมันจะไ่หวังอะไรอย่าไปหาความสุขจากภายนอกไม่ยั่งยีบหรอกหาความสุขในตัวเรานี่แหละเนี่ยไไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีนักศึกษใหม่เะสอบแล้วค่ะบแล้วเรเ็าจะได้ทำทำอินที่สามแนใหม่เช่นี้ ท่านจะรยตาเคยมาเลี้าตรงข้างล่าง้ค่ะท่านชอาเลี้าสาตรงอู้ซิลูกไปตรงข้าง่างก็กลางหาเพียนมีบอยใหญ่ไม่ทราบท่านรหร้อปลันส่วนใหญ่เวลาท่านมาท่านขึ้นมาที่ข้มาที่ลาดตลาร่มเย็นนีงไม่ได้พรไหยัง่ ยะถาวันวะหาภูรัสลกภูเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตชินางเตตานังอุปกปติอิจิตังปิจิตังตุนหังพิโสเมวะสนิจตุสัพเพภูเรนตุสังกะปา จัมโทปนะระโสยฐ า, ามานิโชติระโสยฐ า, าสัทธิติโยวิวาชัมตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวะทวันตารายุสุขีสีกายโกภะมัทิวะธนสีลิจามิตาปชายโนจตารโรธรรมาวะทานติ อายวนโสุข <Yeah. S 1> yeah, mm ังพังสาธุเดี๋ยวื่อไปปฏิเสธยกนี้ไปให้หน่อยเดี๋ยวนสอเดี๋ยวเดี๋ยวไป่ฏิเดี๋ยวจะทานสกับท่าน กจะถ้าใครมก็ไปทับซี้นในย่าน